พระธรรมเทศนาของท่านหลวงตาณรค์ศักดีนาจุติตอนจริตของการทำสมถกรรมฐานตอนที่สองของเราต้องทำควบคู่กันไปนะคือความอยู่ในกรรมฐานที่เป็นสมถกรรมฐานเนนะี่ยเราก็ต้องยืนณะเราก็ต้องทําอยู่ในในขั้นของสมถกรรมฐาน สมถกรรมฐานเข้าใจใช่ไหมเออเราก็ต้องทําสมถะกรรมฐานนะแต่สมถะกรรมฐานเนี่ยเราไม่ต้องไปทำจริงจริงกางเราความจริงมันมีเหมือนอยู่แล้วของเราเนี่ยมันติดมากับจิตเดิมแท้ๆของเราเนี่ยแหละจิตเดิมแท้มันไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างแต่อวิชามันยังไม่ดับมันเลยมลยติดมาในสังขารที่ต่อกุมไว้เป็นกายโผล่แฝงเนี่ยมันข้ามมันข้ามมามันข้ามมาได้เพราะว่าเราไม่ได้เอาเราไม่ได้เข้าถึงธาตรู้ ซึ่เป็นภาตุที่ไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างอะไนั่นเนี่ยเรายังเอาไอ้สังขารที่เป็นความรู้สึกไม่คิดอารมณ์หรือร่างกายเราเนี่ยมันเป็นตัวเราแล้วเราตายเราเลยตายแต่กายเนื้อไอ้กายปร่งแสงเนี่ยมันเลยไม่ดับไม่ดับนี่ยเราก็ไปไปไปตกทุกข์จากลํำบากไปถูกวิภากษาไปถูกลงโทษตามข้กลุ่มต่างๆมาเพราะไอ้ตัวเราตัวกายตัวกายโปร่งแสงมันไม่ดับมันดับแต่กายเนื้อจนกว่าเราจะเข้าถึงผาสรู้ที่เป็นวิญญาณกชาติหรือชาติรู้ที่ไม่มีตัวตนไม่มีรูป่างมีสภาพแค่รู้เนี่ย เราก็จะเลยสังขารไปทุนต่อสังขารไปกายกายโป่งแสงก็จะดับไปด้วยพอ ก, กายกายหยาบดับแต่กายโปร่งแสงกระดับเราก็หายตัวไปพวกเจ่ตวิญญาณก็หาตัวเราไม่เจอแต่เมื่อตัวเราเนี่ยไม่ได้เข้าถึงธาตุรู้นั้นเราไปยึดเอาไอ้ไม่ยึดร่างกายไปยึดจิตที่มันมีความรู้สึกในึกคิดอารมณ์เนี่ยเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราเราเลยกายตายแต่กายเนื้อแตกดับแต่กายเนื้อแต่ไอ้กายโปร่แแแงแสงภายในที่เรายึดเอาสังขารจิตสังขารเนี่ยเรายึดกายที่เป็นจิตสังขารเนี่ยเป็นตัวตนเป็นตัวเราของเราไม่ดับ ผมมัไม่ดับมันก็เลยเป็นกายโร่งแสงค้างแหวนปนนนจกกับเอาไปที่ฝากสารลวงโทษแล้วแต่บุญบาปกรรมดีและกรรมชั่วที่เราทํามาแล้วก็ไปเป็นไปเป็ น, ปปนอย่างไรก็แล้วแต่กรรมกังผลให้เป็นไปแต่เมื่อบวกมาด้วยพร้อมกับที่เราได้ทุกปฏิบัติในส่วนดีก็มีในส่วนในส่วนบาปกรรมก็มีในส่วนบุญบที่เราปฏิบัติมาคือบางท่านเขาปฏิบัติเป็นพระในรูปแบบของพระคือคือโปร่งไปวางมากปร่งไปวางไม่ยิดบ้านหรืบ้านใดมาหลายครั้หลายชาติ บางท่านก็ปฏิบัติในรูปของสมาธิสมถธามาหลายภพหลายชาติยังก้าวขึ้นไปสู่ไม่วพ้นวิปัสสนาคือจิตเนเดินองค์ชานเข้าไปสู่องค์ชานคือเป็นวิตกวิจารสติสุ ก, ก, กอุเบกขามาแล้วหลายภพหลายชาติเหมือนกับพุทธเจ้าของเราเนี่ยตอนที่พบกับพระพุทธเจ้าจิตได้รับคำตํานายว่าพุทธเจ้าของเราเนี่ยต่อไปในวันข้างหน้า จะเป็นพระพุทธเจ้าชื่อว่าพระส ม, มณะโพดมเนี่ยตอนนั้นยังเป็นฤาษีอยู่เลยยังปฏิบัติเป็นฤาษีแต่ห่อได้แล้วห่อได้แล้วคือคนที่ห่อได้ก็ต้องมีฌานแล้วที่องค์ฌานปฏิบัติเป็นองค์ฌานได้แล้วแล้วก็ตอนที่พรุทธเจ้าพระองค์นั้นเนี่ยเราก็จําชื่อไว้ได้ชื่อวิถีปังกรนใช่ไหมก็เสด็จมาใครจำได้วิถีปังกอรแล้วล่า บีับงกรพระองค์จะพระพุทธเจ้าที่ชื่อว่าพระธิดาองกรเก็จ ม, มาพร้อมกับพระสัพลานสาวองพวกประชาชนทั้งหลายเนี่ยเขาก็ช่วยกันฉากฐานทางให้ลาภเรียบยเพื่อให้วุฒเจ้ากับพระอาวกเดินทางด้วยสะดวกแต่ก็เห็นว่าวุทิเจ้าของเราในสมัยนั้นเป็นพระฤาษีที่หอดใต้คงมีฤทธิ์มากเขาก็เลยให้ขีที่มันลำบากอยู่มีที่เป็นที่ ม, ม, มีหนอง น, านา้ําเนี่ยอะไรก็เลยต่างๆก็เลยทําให้ทันวุฒเจ้ากับพรลานสาวเกรดมาเลยขี้นิดเดียวที่มันเฉดเฉ ก็เลยโปรดว่าพระองค์กับพระสารีบุตได้โปรดเหยียบข้าพุทธเจ้าเหยียบปบปบนลลังก์ของพระองค์คือเอาผ้าปูแล้วนอนทับไปบนผ้าให้พระเจ้ากระร่อนทั้งหลายเหยียบไปบนพระองค์เหยียบไปเป็นตอนนั้นที่เป็นฤาษีนั่นแหละเหยียบไปบนล่างของฤาษีให้ข้าไปฟังอย่าให้พระบาทของพระองค์ได้เพื่อนเลยได้โปรดเมตาาตาพระเจ้าที่แรกจะไม่เหยียบแต่เห็นท่านมีความจริงใจก็เลย เพื่อให้บารมีที่ที่ปัตนาสมปัตนานก็เลยพระพุทธเจ้าและพระทั้งหลาย ก, ก็เดินแยียบไปบนล่างของท่านข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งมืาเดินไปแล้วพุทธเจ้าก็เลยตัดกับพระสาวกที่เทียบเท่ากับพระอนุนในปัจจุบันคือพระอุปขะถาว่าเธอจงดูฤาษีท่านนี้ที่ที่นอนอยู่ตรงเนี้ยที่เราเยียบผ่านมาเนี่ยที่ทอดล่างให้เราได้เดินมาเนี่ยต่อไปในวันข้างหน้านับตันี้ไปเราก็จับไม่ได้ว่า นับจากนั้นว่าเสียอสงขายแสนมาหากลับหรือว่าอีกแสนกลัปจะจำไม่ได้นับแต่คําทํานายต้นมาอีกแสนกลับแบบนี้นับไปต้นไปยังไงเ น, นี่ยเราก็จำไม่ได้แน่นอนเนี่ยคือสีท่านเนี้ยจะสําเร็จเป็นพระพุทธเจ้าที่มีชื่อว่าพระสมัมมาโคดมคือพุทธเจ้าของเรานี่เองและคิดดูสีตอนนั้นทําฌานสมาบัติได้แล้วคืงงอการถอดได้แล้ว แต่ยังสร้างบันลมีตายเกิดเกิดตายๆๆๆๆๆตายเกิดเกิดตายเนี่ยอีกตั้งเป็นแสนแสนกับกับม่งขนาดไหนไมึงคิดไม่ต้องนับชาติแล้ะมันมากมายจนนับไม่ทวนั้นเราเนี่ยเรามาฟังธรรมกันทุกคนเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าเราเป็นมาอย่างไรความไม่รู้เนี่ยจะเป็นอวิชชาเมื่อเราไม่รู้เราเป็นมาอย่างไรเราก็ไม่รู้ว่าจิตเราเนี่ยสั่งสมอะไรมาด้วยเพราะเราเราเนี่ยยังยังเข้าไม่ถึงไธาตุรู้ที่ว่างเปล่า เราย mm ัง hmm. ย mm ึดเอาสังขารกายหรือ hmm. ส <Hahah. S 1> so so ังขารจิตเป็นตัวเป็นตัวเป็นตัวเราของเราไอ้กายเราก็เลยดับไปแต่กายาบพุกชาติไปแต่กายโกงแสงมันไม่ดับเมื่อในแต่ละชาติเรามีความรู้สึกว่าตัวเราลุกล่างอย่างไงไอ้กายโกงแสงก็ออกมาเป็นรูปร่างของเราในทุกชาไปแต่ก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นจนไปแต่คนทั้งหลายจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าคนมันจําได้ว่าตัวเราเกากระจกเป็นรูปร่างเป็นอย่างไรแล้วหลุดกระเด็นออกมาจากร่างเราก็จะเป็นรูปร่างเป็นตัวเราเนี่ยุกระเด็นเป็นกายโงแสงมาไม่มีใครหลอดคนตัวนี้ไปได้ทุกคนเต็มหมด เป็นหมดเลยเราหายตัวไอ้กายโก่งแสกหายตัวไม่ได้ยกเว้นพระเจา้าหรือพระสารทหาตัวได้ท่านหายตัวได้หายไปเลยแต่บุตรชนทั่วไปหายตัวไม่ได้ไกายโก่งแสกหายตัวไม่ได้จะ ต, ต้องพู้กเชียย่ยวปัญญาเขาจะจับเอาไปมาลากตั่รูปตัวกลางเอ้าไป <c oughs> ไอ้ตัวนี้เนี่ยเมื่อเราเข้าเข้าไม่ถึงมันก็เลยติดมาติดจิตมาแต่ไม่ได้ติดมาเจอเฉพาะบาปอย่างเดียวหรอกมันติดมาทั้งบุญบบด้วยและบาปด้วยไอ้ติดไอ้กาก่งแสงมานี่ย มันติดมามันติดมาแล้วเนี่ยมันก็เลยมามาฟังธรรมกันเนี่ยมาปฏิบัติธรรมกันบางคนก็มีฌานมาแล้วเพราะดูพะเจ้าของเราเนี่ยเขาบอกโอ้โมีฌานมาแต่ชาติแรกแรกที่เจอเพระพุทธเจ้าพิจูโภคพระวิสุทธิ์อันเป็นเป็นเป็นฌานมาแล้วหลายชาติคนที่มาฟังธรรมต่อหน้าเราก็คนที่เป็นฌานมาแล้วเยอะแยะโดยไม่ต้องไปทําฌานใหม่เพราะมันเป็นมาแล้ว แล้วก็กล้าขึ้นสูงวิปัสนาเลยเพราะว่าเขาไม่ฟง้งซ่านนะพขาน้อมอะไรขึ้นมาถูงพิปัสนาะแ้น้อมความตายความน่าเผิดอผูกพันเขาไม่เคยฟุ้งซ่านเท่าไหร่ทุ้งซ่า น, น้อยก็เอาไว้ตัวนั้นนะกรรมฐานคือเอ่มรณานุนาสติความตายหน่าเผื่อผูกพันเะนี่ยเป็นกรรมฐานใชได้เลยคือให้เข้าไปถึงธาตรู้ที่ไม่มีตัวตนคือเอยเลยลรูปขันไปแล้วไปถึงเอ่ยนามขันที่เป็นเวทนาสัญ ญ, ญาสังขารวิญญาที่เป็นนามขันเนี่ยคือความรู้สึกหรือเกสรลมก็เลยทิอีก ให้เห็นว่ารูปประคันเนี่ยเป็นเพียงอายะนาภายนอกแล้วก็ไอ้ใจผู้รู้เนี่ยเป็นอายะนาภายในและหเห็นว่าไอคือปกติเนี่ยเระเห็นว่ารูปเป็นอายะนภายนอกตาเป็นอายะธภายในแต่ไอ้จิ่งที่มันรู้มันรู้ลึกกว่านั้นมันคือรู้รูปมันคือใจนั่นแหละใจหรือวิญญาณธาตุมันมารู้มารู้นี่ พอถึงไงประตูใจก็เวลาเรามีความรู้สึกนึคิดอารมณ์อะไรก็ไอความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เขาเรียกว่าธรรมอารมณ์เป็นอายตนาภายนอกแล้วใจก็มารู้มารู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นในใจไม่ใช่ว่ามีตัวของผู้รู้หรอก็ใจก็รู้มีอะไรเกิดขึ้นในใจมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์อะไรเกิดขึ้นในใจแล้วในความรู้สึกนึคิดอารมณ์หนึ่งเป็นอายตนาภายนอกร่างกายเป็นยาภายนอกเนี่ยแต่เราเป็นป็นนึกเอาไอเราไปเป็นยึดเอาไอไอความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เนี่ยมันเป็นอายตนาภายในคือตัวเราเลยยึดว่เป็นตัวเรา แม้แต่ยับภายในก็สีเดีมันก็ไม่ใช่ตัวเราแต่เราได้ยึดเอาอายัอายันาภายนอกเลยคือความรู้สึกน hmm. ึกคิดอารมณ์ที่ถูกรู้เนี่ยมันเป็นอายัดธนาภายนอกแล้วใจเป็นผู้รู้สิ่งนั้นเหมือนกับรูปเนี่ยเป็นอายันาภายนอกตาเป็นอายัดธนาภายในเสียงเป็นอายันาภายนอกหูเป็นอายัดนาภายในกินเป็นอายัดธนาภายนอกจมูกเป็นอายัดนาภายในลิ้นที่ไปรับรู้รสเนี่ย รสตาที่ถ <The> ูกลับรู right. ้เป็นอายตนะภายนอกดิสเป็นอายตนะภายในส่วนที่มาสัมผัสผิวกายเป็นอายะตนะภายนอกกายผู้ไปรับรู้เนี่ยเป็นอายะตนะภายในแล้วก็ธรรมอารมณ์คือความรู้สึกนึกคิดอารมณ์อาการของใจเป็นอายะตนะภายนอกส่วนใจที่มารู้ธรรมอารมณ์นั้นเป็นอายตนะภายในเมื่อเราไม่เข้าใจเรื่องอายะตนะเราก็เลยไปยึดเอาสิ่งที่เป็นอายตนะภายนอกมาเป็นตัวเราคือความรู้สึกนึกิดอารมณ์มาเป็นตัวเราไปยึดเอาสังขารร่างกายมาเป็นตัวเราเมื่อเราเข้าไม่ถึงเนี่ยตัวเนี้ยมันก็เลยมันยังคงอยู่ไอ้ตัวเน ไอาการจ้งแสงมันไม่หายสุบไปได้เลยเหมือนพระเจัาพันทั้งหลายเพราะว่าเราเข้าไม่ถึงผู้รู้ภายในเราไปเอาอยึดแสงไอจักรนับภายนอกแล้วเมื่อเรามาเกิดแล้วมันก็มีบางคนไหนมีฌานก็มีฌานติดตัวมาแล้วเวลาคนมีนี่มีลมฌานติดตัวมาแล้วเนี่ยเขาเรียกว่ารมสมาธิที่มั่นคงแล้วคืออารมณ์ฌานไม่ใช่ว่านิ่งนิ่งมั่นคงนะคือมีอารมณ์สมาธิที่เป็นเรียงลําดับมาแล้วคือพิโตวิจารพิติสุภุเบคา นี่เป็นรูปปัจจานจะถึงเลยไปถึงอารูปปัจจานตั้งแต่อากาสารานจายัตนะวิญญาณานจายัตนาอากิญจัญญายัตนาเนวสัญญานาสัญญายัตนาเป็นอารูปปัานคือรูปปจจานสี่อารูปปัานสี่จถึงฌานที่แปดที่พระพุทธเจ้าไปเรียนกับอาราบราบทในหนังพระพุทธเจ้ามาสัตตาโลกที่เราดูเนี่ยพระพุทธเจ้าเรียนจนถึงฌานที่เจ็ดรูปปัจจานสี่และต่ออารูปปัจจานอีกสามเป็นเจ็ดถึงอากิญจ์ถึงไง รูปฌานก็มีวิตกวิจารสิติสุภุเบขาสี่แล้วก็พอถึงในอรูปฌานก็ต่อไปสุภุเบขาเจ็ดแล้วก็ต่อไปถึงอากาศสารานจายัชนะอากาศสารานจันั้นคืออากาศนั่นแหละไปถึงเป็นอากาศสัตวมีตัวเราอยู่ในอากาศสัตวพอขึ้นดุยเหมือนกับรอบตัวเราเป็นอากาศไปหมดเลยเวิงว้างไปหมดเหลือตัวเราลอยอยู่ในอากาศมันก็เริ่มต้นด้วยอากาศสารานจายัชนะระเบิดตัวเราทิ้งไปในอากาศเหลือแต่จิตเกิดจับอยู่ในอากาศก็ขึ้นด้วย วิญญาณัญญาเตนะแล้วเร่งเห็นอักขริยาการของจิตที่เกิดขึ้นจนเริ่ดแต่ความว่างเปล่าเป็นเข้าไปสู่อากิญญาเจตนะเริ่ดแต่ความว่างแล้วก็เข้าไปสู่ในวัสสัญญาณสัญญายตนะคือมันแทบจะไม่รู้สึกถึงตัวเองเลยมันหมดขาดไปจากตัวตนแล้วอธิษฐานจิตสามารถอยู่ได้ในนั้นกี่วนันแล้วก็อยู่ไปสามวันห้าวันเจ็ดวันต้องอธิษฐานจิตซะกก่อนว่าจะอยู่ในนั้นอยู่ในสภาวะที่ลม ใ, ใจเหมือนกับไม่มี ร่างกายก็จิตใจก็ไม่ปุงแต่ดับหมดทุกอย่างเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณดับหมดแต่เรีงแต่ชีวิตเหลืออยู่เท่านั้นยังไม่ตายแต่ลมใจก็ไม่มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ไม่มีเข้าสเข้าสภาวะของเวทเนวสัญญาณสัญญาญาชนะไม่เข้าสู่สภาวะนั้นเราทําอย่างเนี้กันมาหลายภพหลายชาติแล้วเราไม่รู้ตัวเองต่าหาว่าเราเราเป็นอะไรมาไงพ่เรามาเกิดใหม่มั่วไม่หมดเลย มั่วไหมดความไม่รู้นี่เนี่ยมันมั่วหรือคนที่เป็นแก่ถึงรูกประจันเนี่ยก็คนได้ถึงฌานที่เป็นรูกประจันเสร็จเนี่ยมันก็จะมีอภิญญาเป็นของแถมแล้วแต่ว่าวัสนาของแต่ละคนมันทมามันไม่เท่ากันมีตาทิพย์มีหูทิพย์มีคือมีตาทิพย์สามารถมองเห็นพวกกายทิพย์ได้มองทะลุดบางอย่างได้มองทะลุพวกที่มักพวกสสารได้มีหูทิพย์ได้ยินเสียง เพลงเสียงแวแววาเสียงสวดมนต์แวแววาในโลกคลิปได้รู้วาระจิตคนอื่นได้รู้ความคิดรู้อารมณ์คนอื่นได้รู้อดี ต, ตชาติของตัวเองและผู้อื่นได้แตไม่แต้มอดพวกที่มันเดินผ่านหน้าเราในกระวู้ดลุน่นเป็นมาว่าเป็นมาอย่างไรได้ไม่จะเที่เที่ยวานที่ห่อผ่านก็เห็นได้รู้ได้ว่าเป็นมาอย่างไรรู้ระลึกชาติได้รู้อดีตตัวอนาคตได้ของตัวเองผู้อื่นแดงอิทธิฤทธิ์ได้ ไอ้พวกเหล่อนนี้มันเป็นมาแล้วทุกพพทุกชาติหลายชาติแต่ละคนแล้วจะจะติดอะไรมาเราเห็นหลายคนเกิดมาเนี่ยก็ได้ยินเสียงแวแวๆเห็นอะไรแว๊บๆเห็นวิญญาณอะไรต่างๆเด็ที่มามันก่อนทั้งหมดก็มาก็ที่มามาที่เกียกงหลักสี่เนี่ยก็บอกว่าได้เห็นนั่นเห็นนี่อยู่เรื่อยๆเป็นพวกวิญญาณต่างๆมาขอสวดบุญเลยกลัวบางทีก็รู้นั่นรู้นี่เหมือนกับว่าบางสถานที่เราไม่เคยไปเออ ท, ทำไม พอไปถึงเอ๊ะทำไมที่นี้มันเคยมาว่างสถานที่มัเคยไปพอไปถึงอ้าวทำไมตรงนี้มันเคยมามันเป็นอย่างนี้เรื่อยๆแล้วก็งงไปละเพราะตัวเองไม่เข้าใจว่าอันนี้มันเป็นอนาคตั่งสัญญาณมัติดตามขณะสัญญามันรู้เหตุการณ์ไปข้างหน้าคือตัวเรายังไม่ทันไปแต่จิตมันไปรู้ก่อนแล้วแล้วเราก็ไปตามหลังจิตร่างกายเราไปตามหลังจิตเราเลยงงว่าเอ๊ะเรามารู้ได้เนี่ยเราย่างมันเคยมาอยู่เรื่อยไปไหนมันเคยมาพอเจอหน้าคนนี้เอ๊ะเหมือนเคยเจอการแต่มารู้ันไปก่อนแล้วจิตมันรู้ไปก่อนแล้วแต่กายเพิ่งเจอกัน มันเหมืเคยพบกัน่ะอะไรเงี้ยมันจะเป็นบ่อยที่เราพูดถึงตรงนี้ก็เราเห็นคนในโลกองคนี้ยเป็นบ้าไปเยอะเพราะความไม่รู้ตัวเองเป็นอะไรมันก็เป็นบ้าไปเลยนะเพราะอะไรมันไม่รู้ตัวเองทําไมรู้ได้ทําไมไม่รู้ว่าตัวเองทําไมเห็นนั่นเห็นนั่นได้มันก็ไปสร้างความรู้สึกว่าบางคนก็มีคนอื่นมาสร้างให้องแต่งให้ว่า ไปดูหนังดูละครหรือไปอ่านหนังสือว่ามีการเข้าทรงร่างนวดร่างนี่ร่างนั้นมาเข้าทรงมันก็เลยเป็นไปบ้างเราคิดว่ามันจะต้องมีราชการนวดราชการนี่มาเข้าทรงเรามีเจ้าพ่อนั้นเจ้าพ่อนี้มีเจ้าแม่นั้นเจ้าแม่นี่มีเทพเจ้ดานนั้นเทพเจ้านี้ไปเทพนั้นเทพนี้มาเข้าทรงเราแต่ความจริงอ่ะตัวเองก็เป็นความรู้ของตัวเองแล้วมันก็เลยน้องนำเอาสิ่งนั้น่ะเป็นสิ่งนั้นแล้วจิตก็มีอาการเพี้ยนๆแต่จะเป็นบ้าเลยเพราะว่าไม่รู้ว่าตัเองเป็นอะไร บางคนมันฝุดเลยไปถึงขั้นที่มีพลังจิตมีพลังในธรรมเขี่อมกับพลังในธรรมชาติได้มันก็อัดตัวเองได้กับปกติเวลานั่งน่ๆไปก็มือหัวปวดหัวไปเวลาหายใจมันปร่งโป่งโล่งๆเมื่อไหร่มันก็อัดตัวเราอัดระบบประสาทปวดหัวมันก็ฝึกจนเลยไปถึงขั้นที่เอ๊มันไปเป็นอย่างเดียวกับในธรรมชาติเป็นแต่ไม่ใช่เป็นความว่างเป็นพลังในธรรมชาติแล้วมันก็มาอัดตัวเรา อักระบบประสาทเมื่อไหร่ที่เราใจเราเข้าสู่กระแสวองอารมณ์สมาธิพลังพวกนี้มันก็น้อมนํามาอักระบบประสาทเราทำให้โก่งๆมีอาการโก่งๆปวดหัวมัความไม่รู้ตัวนี้เราก็ไม่รู้เป็นอะไรเราไปหาหมอกินยาแก้สารพัดจะแก้ไปหาหมอเม่กี้หมอก็บอกว่าน้ํำในหูไม่เท่ากันมีอาการโก่งๆกินยาสารพัดกินยาเราบอกเขาก็ไม่เชื่อคนเหล่าเนี้แม่คนใกล้ตัวเราเราบอกเขาก็ไม่เชื่อ เราบอกเขาว่าไม่ใช่หรอผูมบันดาลพลังอัะเขาก็ไม่เชื่อแล้วมีอาการโก่งกงไปหาหมออย่างนั้นเนี่ยหายาในก็ไม่หายตอนร้ังเนี่ยพอยาหมดเข้าที่เกลียดไปโรงพยาบาลเขาก็เลยไปซื้อยาที่ไปซื้อยามากินที่ก็ เ, เลยไปซื้อยาที่ร้านเฮสัตร้านร้านขายยามากินเข้าองยาไปเขาก็เข้าใจว่ายาเนี่ยมันแก้อาการน้ําในหูไม่เท่ากัน แต่หมอก็ตรวจแล้วก็พูดยังไงก็ไม่เชื่อปวดเครียดเครียดอะไรเงี้ยเคยรียดบางทีมันเครียดก็ทำให้น้ำเนี่ยมัไม่เทา่ากันพลังอัดทําปวดหัวปวดล้าวก็บอกตามบิงมันเป็นไมนเกรนแต่เราบอกก็ไม่เชื่อไปซื้ อ, อยา ก, กินไอ้คนขายกับเป็นเภสัชก็บอกว่าคุณคุณคุณคุณเป็นโรคเครียดนอนไม่หลับเหรอไอ้ยาที่คุณมาซื้อเนี่ยมันเป็นยา น, นอนหลับอา้าวท่านี่มันเป็นานอนหลับทีห่หมอหล่อให้กินยา น, นอนหลับ ที่ตอนราบอกไม่เชื่อเนี่ยเห็นไหมเราบอกใครใครก็ไู่เชื่อมันมันไม่รู้ความเป็นมาเน่อจักรความไม่รู้เป็นมาความไม่รู้เป็นไปเนี่ยตอนนี้วิธีที่มันจะหายจากไอพลังอักตัวเองเนี่ยวิธีแก้ที่ีเดียวคือต้องทํำวิปัสสนาพิจารณาเรื่องร่างกายประกอบไม่ได้ธาตุดินน้ําลมไฟจิตประกอบไม่ได้ธาตุรู้ที่เป็นความว่างเปล่าไม่มีตัวไม่มีตนหลับเราไม่มีตัวตนตัวตนของเราไม่มีเพราะว่าเราเป็นแต่ธาตุว่าง ชาติรู้ที่มีสภาพเป็นความว่างเปล่าเลยไม่ใช่เป็นความรู้สึกว่างนะเป็นความเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติในจักรวาลที่ไม่มีการเกิดไม่มีการดับไม่มีปรติญาใดๆเมื่อเราหลุดพ้นจากสภาพของร่างกายเราที่เป็นกายเนื้อและหลุดพ้นจากสภาพกายภายในซึ่เป็นนามขันเวทนาสัญญาสังขารนิยาณแล้หลุดพ้นจากสภาพของกายคือกายนอกที่เป็นกายหยาบและกายในเป็นกายละเอียดเป็นกายนามะขันเนี่ยรูปขันกับนามะขันเรียกว่านามะกายกับรูปกายกับนามะกายเราหลุดพ้นเนี่ย จากการยึดมั่นหรือมั่นหลงว่าเราเนี่ยเป็นรู ป, ปรกายหรือตัวเราเป็นนามกายนี้ก็เราจะไปเป็นในธรรมชาติเราก็จะกลายเป็นธรรมชาตินะไปเป็นธรรมชาติปปาตที่ได้แต่รู้ไม่มีตัวตนอะไรก็อัดเราไม่ได้เพราะว่าเราก็ถึงความไม่มีตัวตนในใจของเรานะในใจเราไม่มีความเป็นตัวตนอีกแล้วมันก็เลยไม่มีอะไรอัดเราได้เราจะรอดพ้นจากสิ่งที่เรา อ, อัดเราได้ก็คือก็ต้องเข้าถึงนิพพานาได้ทุกอย่าง จับหลอดคนจากพลังอัดได้เราเป็นอย่างเงี้ยเมื่อเราไปอยู่ใกล้คนที่เครียดพลังความเครียดเขาก็จะหัดเราทำให้เรามุ๋มัวบปวดหัวทําให้เราแน่นจุกหน้อกได้เพราะว่าเรามันมีพื้นฐานจิตที่เป็นสมาธิแล้วมันจะดูดออกมาได้แล้วเรามันเป็นข้อเสียคือเวลาเข้าไปอยู่กับคนที่มีความเครียดมากเราก็จะบึนงงโดยที่เราไม่ไม่ทราบสาเหตุแต่พอเรากลับมาเราก็มานำสมาธิทาํทาสมาธิให้จับเงินโปร่งโล่งโรคเบาสบาย เราก็จะดูดเอาพลังเข้ามาอัดเราอีกเราก็ไม่เข้าใจสาเหตุที่คือทำไมเราปวดหัวข้างเดียวปวดกระบอกตาข้างเดียวปวดขมับก็เพราะว่าเราไปทาสมาธิึ้นมาแล้วไปดูกําลังมาหาดเราอีกความจริงเราต้องทำํำวิปัสสนามันจะหลอดคนไปได้เราไม่เข้าใจว่าเป็นมาแล้วลยไม่ต่อยอดเป็นนี่แนะ่คนในโลกทั้งหลายเนี่ยเพราะความไม่รู้ว่าเป็นมาของตัวเองเนีล ย, เ, ยเราต้องรู้ซะ ก, ก่อนความไม่รู้นี่นะนแน่เขาเรียกว่าอวิชชาเขาเรียกว่าไม่รู้ต้นไม่รู้ปลาย เขาใจ้ยังไงเลยอธิบายที่ยาวเลยด้วยคนอื่นเขาใจไปด้วยออาบางคนชอบไปทรงเจ้าเข้าผีอะไรเนมันไม่ใช่เราบางทีมันเข้าไปจริงถูกหลอกก็มีเยอะแยะของเราเนี่ยมีอารมณ์สมาธิอ่อนๆแล้วนะเนี่ยแต่มันจะเป็นแวบๆเพิ่มๆไม่ไม่ไม่ไม่ไม่เป็นไม่จริงจริงเราต้องหาที่โล่ๆที่เงียบๆสบายสบาย แล้วก็ไม่ต้องทําอะไรมากครับบางทีกาดรู้แกล้ลมหายใจเข้าออกที่มันละเอียดละเียดสบายๆผ่อนคลายแต่ต้องไปที่โลง่ลงๆแล้วบางที่มันก็แก้กันอะไรทไําให้เป็ไม่ได้ไม่ควรต้องไปที่โลง่ลงๆอย่างเช่อน อ, าา อ, อย่างเงี้ยอากาศโล่งๆอย่างเนี้ยประจันขึ้นอย่างเนี้ยเนี่ยประจันเต็มดวงสว่างที่โลง่ลงๆเนี่ยเราต้องอยู่อย่างเงี้ยเนี่ที่มันสบายๆเดินผ่อนคลายแล้วปัจจัยก็น้อง ระลึกดูอยู่กับลมหายใจเข้าออกที่เป็นตามความเป็นจริงหรือว่าอาจจะหายใจลมหายใจให้มันละเอียดเข้าไปเลยลมหายใจมันรู้ให้มันละเอียดเข้าไปละเียดเข้าไปละเอียเข้าไปละเีข้าไปอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้ไปกดข่มบังคับอะไรมันนะให้มันมีความสบายลมหายใจที่สบายคือลมหายใจที่มันนุ่มนวลแผ่วเบานุ่มนวลแผ่วเบาอย่างลึกไม่ใช่วแสบเจ็สั้นๆลมหายใจยาวแต่นุ่มนวลที่จะสบายแล้วค่อยหายใจไปเรื่อยๆทําแบบมันทําได้เลย แต่ทาไม้จะทํเราไม่เรอยรู้เราไม่ใจให้มันสบายนุ่มนวลแถวๆอย่าละเอดละอดละเอียดเอไปะอยเอ ย, ลเอยพลากรให้มันรู้รู้ไปแต่ความรู้แต่ต้องอยู่ในที่ดีลงๆที่สบายสบายท้อไปบ่อยเพราะว่าสมาธิมันแวบแว๊แวบแลต่มันยังไม่ชัดเจนนะ ต, ต้องออต้องทำสมาธิก่อนต้องทำสมาธิก่อนไปพิจายณาไม่ได้เพราใจยังไม่ใจมันมันแข็ง ฟังเป็นไงบ้าง่ะนั่นเข้าใจไหมอืมยแยกแยะอืมอี่กายอืม่อนกายแล้วก็ปีนาเห็นคิีนาพากาไ่เห็นความจริงจะอยู่กับใจที่ผ่นคายเฉยๆนะฟังเรื่องธาตุขันเรื่องเรื่องกายีนากายไหมฟังได้ฟังทันไห สองที่นาการทุกท่นาหี่มันที่ได้ไม่คิดเล่อยมันอนตอนที่ที่พูดเนี่ยไ ด, ไ ด, ไ ด, ได้ได้ฟังมาไหมมาตอนท้ายาตอนท้ายนะครัถึงว่านาขนาดนี้นะมันเป็นมันเป็นแรงขนาคือหมายถึง ว, ว่าถ้าะขนาด น, นี้นเวลานี้คือไอ้ <Good. S 2> อลังสีที่จิตออกหลังสีที่ออกมามันไม่ไ ม, ไ, มไม่มีไม่มีจุดดำเลยแต่มันยังไม่ มันยังไม่พ้นเพราะว่ามันมีตัวที่เราไม่เห็นอีตัวหนึ่งณณขนาดเนี้ยมันควรจะเข้าใจตรงเนี้แต่เวลาอื่นถ้ามันตอนมันดามันที่อะไรเราก็ต้องแล้วแต่ว่าจะพิจนาอะไรก็อีกเรื่องเหมวอนิจากายพิจารณเนี่ยแต่ถ้าเป็นณขนาดนี้คือลังสีที่ออกมาเนี่ยมันไม่มันได้มีจุดดาเลยเหมือนกับไฟไฟที่เปิดสีขาวในห้องเนี่ยมันเป็นมันขาวไปหมดเลยขาวโพลหมดมันไม่มีจุดดาเลยแต่มันมีตัวหนึ่งถ้าเราเห็นตัวเนี้ยคล้ายๆกับว่า A จะสมมุติยังไงสมมุติว่า A อ A ความรู้สึกมันคิดอารมณ์เนี่ยในแต่ละขนาดจิตหรือว่าที่มันมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนี่ยความรู้สึกมันคิดอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเหมือนกับทุกคนที่นั่งอยู่ในห้องเนี่ยทุกท่านที่นั่งอยู่ในห้องเนี่ยปัญหาความรู้สึกมันไม่ได้เกิดที่ความรู้สึกมันคิดอารมณ์ในแต่ละขณะที่มันมันเกิดขึ้นระดับไปปัญหามันอยู่ตรงนี้ เพรนิมเป็นขันธ์ตามปกติมันก็เกิดแับว่ามันตามปกติมันไม่ได้มีอะไรไม่ได้เกิดให้เกิดความทุกข์กับใครปัญหามันคือว่าคนทุกคนในห้องเนี้ยทุกท่านในห้องเนี้ยไม่ได้เป็นปัญหาคือขนันธ์ห้าไม่ได้เป็นปัญหา ปัญหาของขันไอขันห้าเนี่ยไม่มีปัญหาร่างกายความรู้สึกไม่คิดอารมณ์เนี่ยทยี่เหมือนกับทุกคนที่อยู่ในห้องเนี้ยทุกท่านที่อยู่ในห้องคือมันจะเกิดเกิดดำดับรอบใจของเกิดเกิดดำดำในใจของท่านตลอดเวลาเกิดเกิดดำดับในใจของท่านตลอดเวลามันเป็นเ ร, รื่อปกติไม่ได้มันไม่ได้เป็นเหตุเป็นทุกข์อะไรขันห้าเลยไเป็นทุกข์อะไรกริยาการเหล่านั้นต่อให้มันถูกใจไม่ถูกใจถูกใจก็เหมือนคนสวยคนหลอ่อ ไม่ได้หมายถึงว่าพอใจไม่พอใจนั้นคือมันมีความถูกใจไม่ถูกใจคือถูกใจไม่ถึงว่าคนสวยคนหล่อไม่ถูกใจคือมันไม่น่าถูกใจก็คือคนไม่สวยไม่หล่อแต่มันไม่ได้เกิดปัญหาถูกใจจริงๆคนในห้องนี้ก็มีต้องต้องต้องทุกท่านที่ในห้องนี้มีทั้งคนสวยคนหล่อคนรูปร่างดีคนรูปร่างไม่ดีแต่มันเป็นเรื่องที่มันน่าถูกใจน่าไม่น่าถูกใจอะไรต่างแต่มัไม่ได้เป็นเรื่องของกับเข้าไปพอใจมันพอใจจริงมันเลยไม่มีปัญหาต่อต่อท่านในขณะนี้เลย แต่ของท่านเลยรังสีที่ออกมามันเลยเป็นเป็นความสว่างโปรตีนบท ม, มันไม่มีจุดดำถ้าท่านไปแอบพอใจไม่พอใจแอบไปลังเกียดอะไรแอบไปพอใจไม่พอใจงูจิตอะไรมันจะไม่ ม, ม, ม, มีมันจะไม่มีเป็นขาพรมยังมีจุดดาแต่ปัญหามันอยู่ที่มันมีตัวกลางเนี่ยตัวกลางคือไอ้ตัวที่มันคอยออกเป็นไปออกไปมีปัญหา ออกไปดูออกไปรู้ออกไปเท่งออกไปจ้องออกไปพยายามทำอะไรกับขันห้าออกไปพยายามทำอะไรกับกิ่งใดๆออกไปพยายามหาความสุขในแก่ตัวเองออกไปพยายามหานิพพานในแก่ตัวเองออกไปพยายามหาทำให้ตัวเองบรรลุนิพพานปัญหามันอยู่ที่ตัวเราเองจะแทรกในไอตัวปรุงแต่งในใจขตัวเราเ่ยไอขันห้าทั้งหลายไม่มีปัญหาเลย ไพ่ตัวปรุงแต่งในใจเนี่ยมันดับไปแค่นั้นแหละหรือแต่ขันห้าที่เป็นธรรมชาติแท้ๆเลยไม่มีใครทุกข์ไม่มีใครต้องทุกข์ติดต่อไปมีแต่ขันห้าจะไม่มีทั้งผลทุกข์ไม่มีทั่งคนสุขแต่ทุกข์ก็คืออะไรยังมีตัวกลางที่มันค่อยเข้าไปหาคุณทางหาคุณทางหาคุทางหาคุณทางไอ้ตัวกลางมันไม่ดับเพราะเราไม่เห็นมันว่ามันเป็นเหตุแห่งทุกข์ เราเลยไม่ดับมันเมื่อไม่ดับปุ๊บมันเลยไม่เหลือแต่การห้ามันเลยมีตัวกลางที่ยังยุ่งๆมันที่มันทําให้เราเนี่ยไป่ิ้นทุกข์แล้วเราก็เป็นทุกข์มากขึ้นฝังค้างความทุกข์เนี่ยเลยไปถึง ท, ทำให้รังิีจิตของมันดำเลยแล้วออกมาทำให้ให้กายดำเแล้วก็เพราะอะไรไปยึดเข้าดึกต้องพิจารณาแลนะ้วตอนนี้ยต้องเริ่มพิจารณาดึกก็พิจารณาแต่ตอนที่ไม่ได้พิจารณามันก็ไม่มีอะไรอีกเพราะว่าตอนใดที่ไม่ ย, ยึดมันก็ไม่มีอะไรเลย พอใจมันไม่ไปเข้าไปพอใจไม่พอใจอะไรมันก็เป็นเหมือนกับเป็นเรงสีที่โหลนี่มันจบดาแต่ความไม่ได้เข้าใจอีกว่าปัญหามันอยู่ตรงตัวกลางนี่เนี่ยเวลาเราไปทําเข้ามันเลยไปทําผิดตัวอีกว่าขณะขณะแต่ละขนาดจิตมันไม่เหมือนกันขณะที่เรายึดมันก็ต้องพิจาย่างขณะที่เราไม่ยึดอะไรเราก็ต้องพิจาย่างแต่ตอนนี้เราไม่ได้ยึดอะไรเราไม่ได้ลำเอียยอะไรเราไม่ได้เข้าไปพอใจอะไรแต่ใจของเราเนี่ย ที่พยายามหานิพานในตัวเราหรือพยายามให้ตัวเราเนบรรลุวิพานหรือพยายามหาความสุขปรารถนาความสุขที่สุดให้แก่ตัวเราเนี่ยมันไม่หมดไปสิ่งเนี้ความทุกข์มันก็ไม่หมดไปเพราะว่าเรายังหาอยู่นี่เราจะเราย่งเรายังหายังหายังหายหรือยังคับข้องใจแล้วจะบอกว่าเราเราจะพ้นทุกข์ได้ยังไงเพราะว่าไอ้สิ่งนี้เรายังหายังหามันทําให้เราคับข้องใจไอ้ตัวเนี้มันก็เลยยังทําให้เราเป็นทุกข์อยู่ความทุกข์ยังไม่ได้อยู่ที่ขันห้าที่ลูกประขัน แล้วก็นามาขันที่ทุกท่านดีในห้องนี้เปรียบเหมือนรูปอาคารก็เหมือนในโครงสร้างของอาคารนี้แล้วก็นามาขันก็เปรียบเหมือนในทุกท่านดีในที่นี้ที่แสดงกิริยาการอยู่ในใจของท่านตลอดเวลาส่วนใจแท้ๆมันคือความว่างเปล่า ข, ของห้องนี้เพราะใจมีสภาพเป็นเหมือนกับความว่างของธรรมชาติมันเป็นความว่างเปล่ามันจะเป็นห้องนี้มันเป็นความว่างเปล่าแบบเดียวกัปในห้องนี้ในธรรมชาติในจั ก, กรวาลแต่แ ท, ท้จริงเราไม่มีตัวตน เราเป็นเหมือนกับความว่างเปล่าเราจึงเปรียบเทียบไปเห็นว่าไอ้ร่างกายเปรียบเหมือนในโครงสร้างของอาคารนี้ไอ้ส่วนความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เนี่ยนามขันเนี่ยที่มันเกิดเกิดดบๆอยู่ในความว่างเปล่าเนี่ยมันก็คือเหมือนกับทุกท่านที่ยุกยิกยุกยิกอยู่ในห้องอยู่ในห้องคือห้องที่ว่างเปล่าแต่ใจมันแค้จริงมันถืกความไม่มีตัวตนแต่มันรู้ว่ามีใครเกิดขึ้นในห้องนี้มีใครออกไปมีใครมีใครเกิดขึ้นมีใครออกไปแต่ตัวตนมันไม่มี และไม่มีตัวเราไม่มีตัวตนของเราไม่มีตัวเราไม่มีตัวตนของเราความเป็นจริงคือตัวเราตัวตนของเราไม่ีมีแจกลูกประคันกับนามประคันแล้วก็รู้ที่เป็นภาตุรู้ที่เป็นความไม่มีตัวตนก็เหมือนกับว่าอยู่ในธรรมชาตินี้แล้วก็อยู่ในร่างกายจิตใจนี้ เมื่อเราเนี่ยเป็นรู้ที่ไม่มีตัวตนแลไม่มีตัวเราไม่มีตัวตนของเราเราจึงไม่ต้องไปแสวงหานิพพานให้ตัวเราเพราะตัวเราไม่มีจึงไม่มีที่จะต้องพาตัวเราไปห า, านิพพานคือคือเราก็ต้องเห็นนั้นนั้นเนี่เราก็ต้องเห็น น, นั้นนั้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเราต้องเข้าถึง แต่ว่าเข้าถึงก็ไม่มีตัวเราก็ถึงเราคือทํำยังไงอ่ะในใจอ่ะอย่าแอบมีความรู้สึกว่ามีตัวมีตัวเรามีตัวตนของเราตรงเนี้ไอนี่คือตัวเมนใหญ่ไงต่อให้เรารู้เต่าทันยังไงก็ตามแต่ถ้าในใจเราแอบมีตัวเรามีตัวตนของเราเป็นตัวเป็นตนเลยเรารู้ให้ทันยังไงเราก็ดับไปตัวต้นเหตุไม่ได้ ไอ้ตัวต้นเหตุในใจของเรามันคือตัวที่มันเราแอบมีตัว ต, ว ต, วตวในในใจของเรารอยู่เราเป็นตัวเป็นตนอยู่ในจิตใต้สําลึกของเราเไอ้ส่วนกิริยาการที่มันแสดงอาการที่ไปไปที่เราไปค้นหามันเป็นกิริยาการภายนอกแต่ไอ้ความรู้สึกเราเป็นตัวเป็นตนมันอยู่ในจิตใต้สํมลึกเราวิธีกกาาารรนนู้ไปขออองจย์ืม็ใ เรื่องในก็สอนเรื่องของสิงหสมาธิปัญญาก็คือท่อาวิสาสิงห์ผ้าที่ทํำสมาธิโดยอานาปาญสุเแล้วก็ปัญญาก็คือไม้เห็นเวทนาทางกายอาการทางกายทั้งหมดที่ดีไม้ได้เป็ น, ปนปปอุตตรทึบปื้อโผสันสะเทือนเป็นติดรดชุ่มชาอะไรก็ตามไม่เห็นเวนาทางกายทั้งหมดแล้วก็เห็ น, นในความไม่เที่ยงเห็งมันเห็นมันเกิดเดาเกิดเดา เกมันก็ไม่เข้าไปพอใจอาการทั้งหลายที่ไม่พอใจและไม่พอใจอาการทั้งหลายที่เกิดขึ้นเพื่อบอกว่าโดยกระบวนการอันอนี้มันจะเข้าไปมานให้อาจายที่นอนนี่อยู่ในจิตใตสัมฤทธิ์จิตไร้สัมฤิ์ น, งนง่งมันสะสมความสะสมความโลภความโกรธเาไวี่ถ้าถ้าสามารถวาเฉยต่อเวทนา ทางกายอาการทายทั้งหมดทีเกิดขึ้นก็คือไม่เข้าไปชอบหรือไม่ชอบนุอ้นิสัยเดิมที่มันสังสมความชอบไม่ชอบต่อความรู้สึกเหล่านี้ไว้ไมันจะผิดล่ออมาล่อออกมาถึกสลายไปสลายไ ป, ยไปแต่ถ้าเราก็ไปชอบมันก็จะสะสมอนไไมุสัยไว้ถ้าไม่ชอบมันก็จะสะสมไวม้เป็นความโลภเป็นความโกรธ ลูบเป็นโสตาติ a, ้วตาสมตาจมมือข้าข้าวันชื้ได้ยาชายาไั้นก็จะลอกมาลอกมาลอกมาก้านโดยกระบวนการนี้ด้การหาจิตให้สะอาดนิเหละศาสนาจะถึงถอดถอนมันออาจิตไว้ํานังโดยที่เราไม่ต้องไปทำอะไรกับมันมันจะถอนออมาถ้าโดยวิธีการแบบนี้จะถอนได้ความสุขที่มันเป็นตัวถอนที่อยนูขึ้นในขึ okay. <c oughs> ้นเลย ที่มันจะขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาให้เราเห็นนะพุท right. รอบไปเป็นยังไงตรงผิดอะที่นัมาวชอันนี้ก็เป็นกระบวนการที่ท่านพระเจ้าอเราจะพูดยังไงที่จะมีปัญญาในการรู้ที่เราจะรู้ได้เฉพาะหนึ่งอย่างได้ต่อว่า่องหนี่ คือประการ่เือัวการนไอความ่มีตนมันจะต้องการพิจราคือเราจะไม่ไม่เอาของใครมาบอกว่าถูกว่าผิหรือว่ามันสามารถตอบใช้ตอบใช้กับการปฏิบัติในการที่ไม่ท่านต้องพิจารณาว่าไอ้วิธีการที่ท่านพูดเนี่ยมันเป็นกระบวนการที่ ยังไงอ่ะเป็นกระบวนการที่เหมือนกับว่ามันเป็นรูปแบบเป็นทิษฎีเป็นหลักการที่วางไว้โดยเขาแต่สิ่งนั้นนะท่านก็ยังไม่รู้เลยว่าท่านถามเองกระบวนการที่ท่านยายาอธิบายขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยมันจดในใจของท่านนย่างแลาบอกว่าตอนนี้มันมีกิริยาการอยู่อันนี้ยที่มัน ที่มันเกิดที่มันมีความตรวตนของมันไปปรุงออกไปไปจับไปคิดอยู่แกนกลางเหมือนไข่แดงถ้าไข่แดงมันหายไปไอไข่ขาวที่มันมีอยู่นั้นก็หายไปด้วยมันไม่มีเลยการไม่มีทั่งไข่แดงและไข่ขาวที่มันไปหาไม่ได้ไข่ขาวจะเป็นไข่แดงที่ยังมีตัวเราเป็นไข่แดงสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่ในใจของเรามันมีอยู่ในใจของเราเราก็รู้มีในใจของเราเราเลยแสวงหาความสุขให้แก่ใจของเราให้แก่ตัวเราแสวงหาอิสรภาพให้แก่เรา ตอนนี้มันมันเป็นอย่างเนี้ยมันเกิดขึ้นจริงเดี๋ยวนี้ยแต่ถ้าเราย้อนกลับไปเอาไ้กระบวนการเรียนรู้อย่างนัน้นกระบวนการถ่าตอนอย่างนั้นเนี่ยเราจะมั่นใจได้ยงไงในตัวเราว่าอย่างนั้นเนี่ยเขาทํากันเนี่ยเราก็เป็นได้กิจกระป๋าเราไม่ได้ว่าของใครนะหมายถึงว่ากระบวนการของที่แต่ละที่สร้างไว้ให้เนี่ยเขาทํากันเนี่ยแล้วก็พูดกันอย่างนั้นอย่างนั้นเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ย ที่มันเกิดเป็นปัญหาอยู่ตอนเนี้ยมันเป็นแค่ติเงแค่เนี้ยมันจะดับปัญหาในใจของเราได้ได้หรือเปล่าเราจะเชื่อได้อย่างไรแต่เราอ่ะไม่เชื่อใครทั้ง น, นั้นแหละพระเจ้าก็ไม่ให้เชื่อใครไปดูในวิจารณ์สลาโลกว่าแม้เราพูดตำขวดผู้หญิงอย่าเพิ่ ง, งเชื่อเพราะมันเป็นปัญหาในใจของเราเองเพียงแต่เอาทดลองเอาคําสอนวิจารณ์มาใช้ ทดลองเอาสมนั้นนีไม่ใช้ทดลองสมนั้นไม่ใช่แต่เราลองพิจารณาแล้วมันยังเป็นทางเดินเรายังไม่เชื่อแผนที่เรายังไม่เชื่อแผนที่แต่ตอนนี้ลใจเรามีปัญหาอยู่จริงแล้วตอนนี้ยมันเกิดขึ้นจริงมันเป็นจริงเดี๋ยวนี้เราจึงไม่เชื่อแผนที่แต่เราเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นในใจเราปัญหาที่เกิดขึ้นในใจเราเราไม่เชื่อว่าแผนที่นั้นจะดับ ปัญหาดับความเป็นตัวตนในใจเราได้และเราเชื่ออย่างไรว่าเขาสามารถดับตัวตนของเขาได้จริงได้ ว, วิธีกรรมวิธีเช่นนั้นอนะเราไม่เชื่อใครจริงๆนะเราไม่เชื่อจริงๆแม้แต่อรหันที่เราไปหามาเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเราเอาของท่านมาเป็นของเราทั้งหมดแต่ไม่ใช่เราไม่เชื่อท่านนะแต่ที่ท่านบรรลุอรหันด้วยวิธีนั้นเนี่ยแต่ไม่สามารถแต่สําหรับมาใช้กับเราเราไม่บรรลุ นี่ถ้าไปเดมเอาไอ้คิดเตดีเอารูปแบบมาวางนะท่านบอกจากประสบการณ์สัวของท่านในละองเลนเรายังไม่ยกของท่านมาทั้งดุ่นเลยแล้วเรามาแก้ไขในใจเราให้มันเป็นจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เธอพูดเราจะไม่แน่ใจว่าทฤษฎีที่เธอเปปฏิบัติมาคนที่ปฏิบัติเขารู้อาหารหันต์ได้จริงหรือเปล่าของท่านเป็นอย่างนี้แต่เราไม่ได้เป็นอย่างท่านะไม่ใช่เราไม่เชื่อท่าน แต่ถ้าเราทําอย่างท่านเราไม่เป็นอ่ะเราไม่จะไปเชื่อท่านท่านบอกว่าถ้าเป็นโรคมันไม่สบายมากเลยลถ้า ไ, นาไปนัง่งลินแม่น้ำโขงแล้วน้ํามันเจิ่งนองเข้าตลิ่ถ้ามาในน้ํามันคงมีสัดน้ํามากเลยถ้ามันเจิ่อนองแบบเนี้ยถ้านําพี่น้าในร่างกายของท่านน่ยโอ้ยเชื้อโรคในร่างกายท่านคงในร่างกายท่ า, ทานก็มีสัดน้ำมีน้ําเลือดน้ำเหลืองมีน้ําเต็มไปหมดเลยเชื้อโรคในร่างกายของท่านคงเยอมะมากเหมือนในน้ำเนี่ยทําก็ประกดกระจายว่าจริงถ้ายังบอกเอ้ยงั้นบินเนี่ย ดินที่รองพื้นน้ำกับดินที่อยู่บนผิวโลกเนี่ยมันก็คงมีสัดเยอะแยะมากมายเหมือนกันสิเพราะนในร่างกายแม้ก็มีดิน ม, มีกระดูกมีกล้ามเนื้อมีเส้นเอ็นในประสาทผมขลเล็บฟนหนังตับไตเส้นนนใหญ่มาตัปอดหัวใจมันก็เป็นดินจะเป็นหมดเลยาดินจะเป็นหมดโอ้แต่ยังงั้นก็ต้องมีเชื้อโลกในดินเยอะสิทำก็บอกว่าจริงโอ้ท่านอยาหายนี่อยาหายป่ว ย, ยท่ายังไงถึงจะเอาเชื้อโลกออกไปให้หมดล่ะึงจะเหมือนกับจะฆ่าเชื้อโลกให้ตายหมดหรือว่าทำไงจะเอาเชื้อโลออกไปให้หมด ถามเขว่าถ้า่าเชื้อโรคแต่ดินกับน้ำยังมีอยู่เดี๋ยวสัตว์ก็ต้องเกิดอีกเหมือนกับ่าดสัตว์น้ําในแในน้ําโขงตายหมดแต่น้ําในน้ำโขงยังมีอยู่เดี๋ยวสัตว์ก็ต้องมาเกิดอีกต้องทําลายฐานที่เกิดของสัตว์ทั้งหลายเหลนะ่ลานั้นเชื้อโรคทั้งหลายจึ่จะหายไปต้องทําลายธาตุน้ําและธาตุดินให้หมดสิ้นไปเอทํำยังไงวะไอ้่าตัวตายมันก็ไม่หมดหรอก ผมก็ไปเกิดใหม่เพื่อไม่หมดความยึดยังมีอยู่เอ๊ะทำไงมันจะทำลายธาตุน้ําตุดินได้ก็พยายามคิดอยู่สี่วันสี่คืนจับจ่อมันจับจอยท่านวาใช้เวลาเรามีปัญญาน้อยปัญญาเราทึบเราเราปัญญาน้อยเราใช้เวลาต้องสี่วันสี่คืนนี้จะเข้าใจแต่ท่านพ่อถ่มตัวพันนีีปัญญาเป็นเลิกอยู่แล้วท่านบอกเราก็ห า, าไม้มัหนองนี้เอาไม้มาแลดตัวเราสิในความรู้สึกเราไปทำรู้สึกเอาไม้มาแลดตัวเราในความรู้สึก มันจะเป็นชิ้นๆอยู่นะมันไม่หมดมันไม่หายไปมันก็เออไอเชื้อโรค ก, ก็มีอยู่ในยี้ น, นั่นแหละเอทํ า, ทาไมเอาดุมมาแรกก็แล้วกอนที่ม า, มาทําก็แล้วเนี่ยทำมาสี่วันสี่คืนมันไม่ลงใจใจพอวันที่สี่เนี่ยทําก็พอเคยใจว่าระเบิดปรมาณูล้างโลกระเบิดปรมาณูล้างโลกเหมือนกับที่เขาเอาระเบิดปรมาณูไปถล่ม ท, ที่เกาะที่เราทิ้งมาเขวุ่มเดียวนเนี่ยมันพังหมเลยเกาะจมหนดเลยเกียกประเทศเลย ระเบิดปรมานูสามารถล้างโลกได้แค่นั้นะมันต้องมีมีระเบิดปรมาณูร ะ, ร ะ, ร ะ, ร ะ, ะมาณูหย่อนในตัวเราแล้วก็ระเบิดตุ้มไปเนี่ยแว่ามันไม่เหลือเศษชิปเนื้อและไม่เหลือน้ำเลยตุมเดียวมันระเบิดออกไปแค่นั้นแหละเหมือนกับมันระเบิดจริงๆเลยในความรู้สึกเือแต่ความวาม่างเปล่าไม่มีแต่เพียงไม่ใช่ว่าหายไปแะเพียง ฐานที่เกิดของเชื้อโลกไม่ใช่ว่าหายไปแต่เชื้อโลกที่ท่นจะทำให้มันแก้เชื้อโลกมันหายไปใช่หายจากโลกแต่มันเลยไปอีกหาตัวไม่เจอเออแล้วตัวเราเหรอให้ตัวเราหายที่ไหนความรู้สึกเป็นตัวเป็นตัวมันหายไปจากความรู้สึกด้วยเลยมันไม่มีตัวเฮ้ยตัวไม่มีนี่ตัวไม่มีไม่มีตัวมรรลุอราหันต์เลย นี <N ee> ่จะไม่ได้วางระเบียบวางระบะบอะไรเบรคของที่ท่านอธิบายแต่ละท่านเนี่ยถ้าก็เล่าให้เราฟังเอแต่ะอย่างของท่านที่ท่านเป็นกันท่านเป็นยังไงที่จะรรลุอะเราก็อยู่หมดแล้วไปถามมาหมดแล้วแต่ละท่า น, าานแต่คําพูดของท่านที่บอกเราพยายามเล่าให้เราฟังจำแล้วจำอีกหลายรอบเราทําไม่ได้เราทไไําทอย่างท่านทําไม่ได้เราก็เราระเบิดความมนุษย์ย่อนกันทำไมเราทาไม่ได้คือเราทํำวิธีท่านแต่มันไม่เป็นอ่ะ เราก็มานั temps, он, ่งเขาเราแบบเรามนูหย mm ่อนไปในร่างเราเราไปจะทำเป๊ะทั้งไหนเราก็ทําได้เราก็เรียนแบบตูมไปแต่มันไม่เป็นออคือนั่นมันเป็นของท่านนะแต่ละท่านแต่มันไม่เป็นของเรามันเป็นของของท่านแต่ละท่านจริงๆเลยไม่ได้เป็นของเราเลยเราลองเอาของท่านมาทําแบบของเราแต่ละท่านเรียนแบบเป๊ะเลยไม่เป็นเป็นแต่ความจําแต่ไม่เป็นความจริง พอเราเอาของท่านมามันเป็นความจํามันไม่เป็นความจริงยึงวางทฤษฎีวางหลักการฉันไม่เชื่อเลยนี่หารหันเราเองว่าทำยังไงจะยังไม่เป็นเลยเนี่ยเนี่ล่าสุดเราไปอยู่กับพระอามธรรมะกาวโมเราก็ถามท่านท่านท่านังไงท่านพยายามสอนเราพี่น า, เ, นาเห็นที่นาเห็นโอ้ยโตท่านเองแล้วทราบสกอะไรเนี่ยพี่นาท่านเหมือนกับ มีแต่เป็นซาบศพเต็มไปหมดเลยซาบศพเน่าๆตเต็มทับถมกันทับถมมาสูงกว่ากำแพงวัฒนิคบางตัวท่านแล้วคนอื่นเนี่ยพ่นาศซ้ําแล้วซ้ําแล้วมีแต่ซาบศพเน่าๆทั้งนั้นเลยแต่พีินานมันต้องพินาศครับพินาศครับไอซาบศพทั้งหลายมันก็แตกออกจากใจมันกนนับใจมันนั่นแล้วก็ระเบิดโป๊้ออกไปจากการคิดมันถือมันหลือแต่รูดรอยเด่เป็นอิสระนั่นเอลหลวงตามหาบัวก็ส่งหนังสืนมาว่าอย่าปล่อยจิตฝุงแตกมากนะ อยากรู้อะไรพวนอที่จิตเปล่าบริสุทธิ์อะไรต่อเนี่ยนองเนี้ยมีบันทัดเนี่ยเราจำไมได้ทั่นก็รู้อาเจียนเราลองไปทำสองท้านหนึ่งไม่เป็นเราเคยทามาแล้วถามเส้นเนี่ยเราเคยเป็นแต่เรากลับไปทําอีกทําไม่เป็นไอพิจาณาร่างกายวัคคสถานเราไปทํามาได้วเ้เป็นไปแล้วแต่เรากลับไปทําอีกทําไม่เป็นมันกลายเป็นความจับเลยไม่เป็นทันที ทางเส้นอื่นแล้วมันลงเดินมาแล้วมันไม่เป็นจริงแต่มันไม่มันมันกลายเป็นความจํำพอเราถอนมากลายเป็นความจําแล้วก็ไปทําอีกมันไม่เป็นมันเป็นความจําไม่เป็นความจริงทางเส้นใดที่เราเคยเดินมาแล้วมันเป็นมันเคยเป็นจริงมาแล้วแล้วก็ไปทักเราถอนมาแล้วแล้วก็ไปทําใหม่มันไม่เป็นเป็นความจําไม่เป็นความจริงเนี่ยมันเป็นหามาเกิดแต่ใจเราไม่เป็นไงเราฟังท่านใจเราไม่เป็นแต่เราไม่เป็นเราลองมาทำมันไม่เป็นพราะเราเคยทํามาแล้วทางเส้นที่ท่านปูดเราไม่เป็นไม่เป็น แต่เราอยู่กับท่านเราหน้ากลัวเพราะอะไรมันอยู่กับท่านเนี่ยมันไม่ต้องทําอะไรเลยมันว่างทั้งวันมันอยู่กับท่านเนี่ยมันว่างทั้งวันเลยมันเหมือนกับเราสําเร็จแล้วเลยมันว่างทั้งวันแทบจะไม่ต้องทำอะไรมันเหมือนกับเป็นเราสําเร็จแล้วเลยเพราะว่าอำนาจสิทธิ์ของท่านนะเพราะเราอยู่กับท่านเลยกลายเป็นความว่างทั้งวัน มันกับพระท่านทั้งหลายมามีความทุกข์ความเครียดอะไรมื่อยู่กับไปเรื่อยๆเรื่อยๆว่าสบายใจแต่ถ้าท่านไม่นําไปเพาไปปฏิบัติกลับไปบ้านก็ความทุกข์กลับมาเดิมเพราะไม่ใช่เป็นของท่า น, านถ้าสังเกตว่าท่านทุกข์เครียดไงก็ตามท่านมาหยุดสักพักเดียวมันก็รู้สึ ก, กว่าสบายใจว่างไปหมดเบาไปหมดแต่แท้จริงมันไม่ใช่ของท่านนะกลับไปบ้านก็หายหมดถ้าท่านอยู่ที่นี่ตลอดไปมันก็ไม่เป็นของท่าน เพราะว่ามันเป็นของคนอื่นแล้วเรพยาพิจารณาอะไรไม่ขึ้นเลยมันว่างไปหมดว่างไปหมดอย่างนี้นพยิจารณาอะไรไม่ขึ้นเลยเป็นการเป็นความสุขสบายบ้างาวล่าไม่ใช่ไว้อยู่กับท่านต้องอปัญญามานอน้อนอเดิมนั่งคือตั้งวันเล็กเราเลยต้องเดินจมูกทั้งเล็กเดินจมูกนั่งคือตั้งวันไม่หลับไม่นอนเลยอยู่กับท่านพิจารณาพิจารณาท น, นี้ปัญหาของท่านเนี่ยมันก็มีปัญหาอยู่แค่ตรงนี้เนี่ยท่านจะทำยังไงกับมัน อ, อย่าไปเอาทฤษฎีมายืดยาวมันไปกลับย้อนต้นใหม่ ท like, ี่จแก้ปัญหาของเราเนี่ยอยาไปเอาทสษฎีเอาหลักการเอาอะไรมาอย่าไปเชื่อใครหันห้ามมนได้เป็นโทษร่างกายก็มาได้เป็นโทษแต่เป็นโทษตรงใจใจเรารู้สึกว่าเราเราจะต้องที่ลบนตอหาความสุขให้แก่เราครับความรู้สึกเป็นตัวเรายังไม่หมดไป็นกใจเราจะทำยังไงความรู้สึกที่เรายังยังจะหาความสุขมาให้แก่ตัวเราเมื่อตัวเราไม่มีเราไปพยายามหาตัวเราไปหาพนิพพานหรือหาหาพระนิพพานมาให้แก่ตัวเราตัวเราไม่มีเราสิ้นแก่ตรงนี้แค่นั้นไง เมื่อเรายังไม่ได้ไม่มันไม่ไวางตรงนี้ได้เราจบจอดันทงวันต้งคืนงวันงคืนอย่าบวไปทำกิริยาอาการอย่างอื่นอีกอย่าไปเอารูปแบบอย่างอื่นมาปิดังพอแม่ครูบาอาจารย์ท่านใช้สีวันสคืนท่านบอกเมืปัญญาท่านทึบเราปัญญาปัญญาเร็วอาจจะใช้ไตั้งส่วนส่คนเอเเรท่านบอก่าปัญญาทึบใช้สวันสคืนเราปญาเร็วถ้าไปองเอาสวันสคืนเอาเลย เดี๋ยวจะมัวไปเอารูปแบวกกันคือจะบจอกับมันตรงนี้ท to ําไมอทําไมเพราะ่าต hm ัวเราไม่มีทําไมเราจึงไปหาทิพย์พานมาให้แก่ตัวเราพยายามพาตัวเราไปหานิพยพานซึ่งเป็นความสุขเนี่ยเอาแต่ความสุขทุกไม่เอาจะเอาแต่ความสุขให้ทุกไม่มีจะเอาแต่ความสุขให้ทุกไม่มีเนี่ยทําไมได้เมื่อตัวเราไม่มีเราพยายามจะเอาตัวเราเนี่ยไปหาความสุขทุกไม่มีพยายามจะหาความสุขทุกไม่มีมาให้แก่ตัวเราหรือพยายามจะเอาตัวเราเนี่ยไปหาความสุขทุกไม่มีมันทุกอยู่แค่ตรงนี้เนี่ยความผิดก็ผิดอยู่แค่ตรงนี้ จะไปหาวิธียังอื่นจะไปเอาความิธียังอื่นเฉพาะตอนนี้นะแต่เลยกว่านี้เิ็นยึดกระไรเป็นดำสีไปแล้วเราไปรับรองเราว่าต้องจดจ่อกับมันเลยตรงเนี้ยย่านํารูปแบบใดๆทั้งหมดมาปิดปังอย่านําคําสอนของคนอื่นมาปิดปังแม้แต่เราสอนเราเพียงแค่เตือนเฉยเราไม่ให้รูปแบบไม่ให้ทฤษฎีไม่ให้วิตีวิธีการไปปฏิบัติเราได้แจ้เตือนว่า ปัญหาของท่านมันมีอยู่แค่ตรงนี้ท่านจงใช้ปัญญาของท่านด้วยตัวของท่านเองที่ท่านเข้าใจมาหมดแล้วเรียนมาตั้งหลายครูบาอาจารย์แล้วด้วยปัญญาของท่านเองที่ท่านปัญหามาอยู่ตรงนี้มันทําย่งนี้ที่หมดจิตใจของท่านหลวงปู่ลีที่พวกเราอยู่ด้วยท่านก็บอกเราเคดไปคัดค้นท่านท่านก็บอกว่าไม่มีใครป้อนพระนิพพานให้กันได้ ไม่มีใครป้องภัยนิ้นกันได้ยกปู thag ก็เหมือนกันพระอาจารย์ของเราท่านบอกว่าปัญญาของเจ้าตัวต้องใช้ปัญญาของเจ้าตัวเราได้จะบอกว่าท่านิดอะไรแตบบ่ท่านจะหลุดจากที่ติดได้อย่างไรต้องใช้ปัญญาของเจ้าตัวท่านอย่าไปเอากำวิธีที่คนอื่นเขาวางไว้ให้เอามาเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่เรื่อยไปนะ จะโดนหลอกเพราะปัญหาของท่านมันอยู่แค่ตรงนี้ถ้ากระจดจอ่อกับวันทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคื น, น, ก, นกี่วันกี่คืนก็ได้เพื่อให้ปัญหาของเฉพาะตัวของท่านเองไม่เหมือนคนอื่นถ้ามันดับไปใจิตใจของท่านด้วยปัญญาของท่านเองเราได้เตือนท่านได้เฉยแต่เราไม่ไม่มีวิธีการทจะให้กับท่านต้องทนต้องไปนั่งแบบนี้ไปทำแบบนั้ไปทํายี้งนี้ไปคนละสถานะ แล้วอะไรถึงได้มีวิธีการใช้อย่าง้พ่อไรเพราะว่าถ้ามีวิธีการเนี่ยท่านจะจํารูปแบบวิธีการไปปฏิบัติเมื่อท่านจํารูปแบบวิธีการไปปฏิบัติมันก็จะออกจากความจริงไปคือปัญหาของท่านมีแค่ตรงนี้แต่พอท่านเอารูปแบบวิธีการที่เราบอกให้ไปไปปฏิบัติในการปฏิบัตินั้นก็กลายเป็นว่าท่านปฏิบัติ เพื่อหานิพพานมาให้แก่ตัวเราท่านจะติดท่านจะเหมือนกับที่สุดทัี่มพอตายน้ําซื่อเลยเราจะบอกวิธีการให้ท่านไปบัตดให้ท่านไปค้นยังไงก็ตามเหมือนจะหลอกฆ่าท่านถังอ้อมคืออะไรพอเราบอกวิธีการว่าท่านต้องไปทําอย่างนี้ท่านต้องไปมีปัญญาอย่างนี้ท่านรีบไปทําเลยแต่ท่านหารู้ไหมว่าท่านติดกลับแล้วเพราะอะไรท่านรีบไปทําเท่าไหร่ท่านจะไม่เห็นว่า ท่านกําลังจะรีบไปหาพระนิพพานให้ตัวเราหรือรีบเอาตัวเราไปถึงพระนิพพานก็ในเมื่อเขาบอกว่าปัญหาอยู่ตรงที่มันมีตัวเราแต่เราตัวเราไปหาพระนิพพานทำไมอ้าวเขไปหาวิธีท่านหาท่านติดกับเลยเหมือนกับหลอกท่านให้ไปติดกับก็ในเมื่อตัวตนไม่มีเราติดอยู่แค่นี้แต่ทําไมพาตัวเราไปหาพระนิพพานหรือพยายามเอาพระนิพพานซึ่งเป็นความสุขทุกข์ไม่มีเนี่ยมาให้ตัวเรา พอาหาวิธีเงังท่านไม่ไว่าวิธีใดท่านจะต้องเล่งเลยแล้วเล่งอะไรเล่งหายให้ตัวเองเอาก็พูดอยู่แล้ว ไ, ไปหายให้ตัวเองมันก็จะเล่งหายตัวเองนาดีเล่งให้ตัวเองเป็นเอายิ่งหนักไปเลยลเดินกะจีจีจีเขาจึิงให้ใช้ ส, สติปัญญาเพื่อให้มันหลุดพ้นจากตรงนี้ไม่ใช่ไปอาจารย์บอกวิธีไปหน่อยจะไปทําอาจารย์บอกวิธีไปหน่อยจะไปทําอโทษไอ้ตีวันตีคืนที่จดจ่อเนี่ยเขาเพื่อให้ ให้เลิกที่จะไปทำหาอะไรให้ตัวเองไม่ใช่ว่าบอกว่าไหนอบอกว่าจะรีบไปทำรีบให้หาอะไรตัวเองมันมันจะกลายเป็นหาเอไปติบกลับเข้าใจไหมเออใช้ปัญญาของเจ้าตัวเออไปใช้ปัญญาของเจ้าตัว